ต่อไปนั่งทําบุญไม่ต้องอรัตนา์ก็ได้นั่งตัวตรงๆมือซ้ายวางบนตักมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆ เ, เอาสติไปตามใจมาใจของเรามันไปเที่ยวอยู่ทางเมืองนรกมโนนางมโนลาอยู่ที่ไหนอยู่เมืองภูเงินมโนคือใจใจของทุกคนไปอยู่เมืองภูเงิน เพราะฉะนั้นนนมูลหลวงปู่หลวงพ่อมาทําบุญมาพาทําบุญหลวงพ่อก็จะพาทําบุญนั่งตัวตรง ๆ, รงๆใส่ขับมือขวาหลับตาเบาปิดหูใส่ขวาปิดตาต้องข้างปิดปากสะบางโทรศัพท์ก็ปิดด้วยแล้วก็นั่งทําบุญตาใจมาแล้วก็ดูใจดูบุญดูลมเข้าลมออกนั่นเครื่องผูกใจใจมาแล้วผูกเอาไว้ ลมผูกไว้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออ ก, ออกให้เห็นลมชัดๆตื่นออกฟังปนมือขึ้นใส่หัวแล้วก็ตั้งใจฟังผู้ชูฟังถ้าได้ทําแล้วไม่ได้ฟังอาจจะไม่เข้าใจบางคนนะผู้ชูฟัง ไม่ได้พูดให้เชื่อและไม่ได้พูดให้ทำตามเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตาลาไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาถ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์เชื่ออะไรให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้แล้วควรจะให้ญาติโยมทำอะไรทานศีลภาวนาภาวนาคือการดูใจทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้ว การพิจารณาก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญนั่นอเจ้าทานในทานศิลบุญทานศิลปภาวนาไปวัดไปทำบุญทำทานทำบุญทำทานแต่ไปแล้วตัวคำว่าทำบุญไม่ทำถ้าคิดแล้วก็โกหกตนเองโกหกคนอื่นกหกได้ แต่โกหกตนเองโกหกไม่ได้เพราะโกหกว่าไงว่าจะไปทำบุญแต่ไม่ไปทำบุญนั่นทีนี้นเราไปเข้าใจว่าเอาของไปถวายพระเป็นการทำบุญถ้าทำเป็นได้บุญถูกต้องตามหลักทำไปินได้บุญถ้าไม่ถูกต้องตามหลักทำไวินัยได้บาปทั้งคนให้ทั้งคนรับ นี่เวลาเราก็ไปติดอยู่ที่ทำทานเห็นไหมใครมาก็ไม่เห็นใครทำบุญส่วนมากเอาของถวายเอาของวถวายทำไม่พระยุ่งนี่ไปเข้าใจนะส่วนมากถ้าหากจะได้บุญจริงๆถูกบุนจริงทำบุญจริงๆใส่บาตใไข่พระสงฆ์แล้วเห็นของอยู่ในบาตพระสงฆ์พอครบพอฉันแล้วค้อนบาตขึ้นมาแล้วนิมนต์หลวงพ่อกับวัด นิมนต์พระคุณเจ้ากับวัดของในบาทพอฉันแล้วนั่นแหละพุทธบริษัทธสี่พระพุทธศาสนา จ, าจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้เพราะพุทธบริษัทธสี่ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์พุทธบริพุทธพุทธบริษัทธสี่มีใครบ้างภิกษุสัมมาเนนุบาตศกผู้ผู้ชายอุบาติกาคือผู้หญิงภิกษุคือพระนะ สมัยก่อนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ภิกษุณีผู้เจ้าบอกว่าหมดไปแล้วหมดผู้ที่จะบวชให้นั่นผู้ที่จะเป็นภักดิภิกษุณีพรกดิภิกษุณีได้ไปจากอุปชาสองท่านคือจากผู้หญิงจากผู้ชายนั่นที่นี่อุปชาผู้หญิงไม่มี ก็มีแต่ผู้ชายกันเลยประเทศไทยไปเถียงบวชไปที่ไหนไปบวชต่างประเทศก็มีเยอะแยะอยู่นีถ่ถ้าเราแข่งขัดจริงๆมาเชื่อคำว่าทำบุญทุกข์อื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีนั่นเมื่อกี้หลวงปู่พาดูแล้วดูสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจเห็นไหมอีกม่นานก็ถึงพระนิพพานถ้าทำนานก็ไปนานก็ไปไม่ไปทาเรื่องอื่นก็เห็นพระนิพพาน พื่กับโยมนั่งเมื่อกี้นี่คำของพุทธเจ้าพูดคำเดียวคือจงหาความมีออกจากใจนั่นนั่นแหละอุบายคําว่าภาวนาทานศีลภาวนาเราได้หาอุบายให้ความมีออกจากใจไหมถ้าเราไม่หาจะรู้ได้ยังไงจะนี่มิแต่หาความอยาก <S <S เห็นไหมนั่งมะโนลาไป อ, อยู่ไหนเมืองภูงเงินใจของคนไป อ, อยู่นําเงิน <c oughs> ทับสมบัติ นี่ถ้าเอากำมาแปลให้ชัดเจนนะเอาธรรมของพระเจ้ามาแปลนะเอาโลกุตระทรมาแปลนะไม่ใช่โลกิยะนะร่ลำรวยเป็นนรกสวยงามก็เป็นนรกนั่นเอาคำของพระเจ้าคำโลกุตระถ้าโลกิยะร่ลำรวยเป็นสวรรค์สวยงามเป็นสวรรค์นั่นร่ลำรวยมาแล้วทำไมจะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ต่างประเทศ สวยงามมาแล้วทำไมทะเลาะกันรํำรวยมีคนมายืมไม่เอามาส่งคืนให้ถามสองสามครั้งเที่ยงสามี่สี่ไปถามเอามือปืนไปด้วยยืมแล้วจะให้หรือไม่ให้นั่นถ้าไม่ให้ก็เอาชีวิตเป็นอาลกไหมสวยงามข่ามัดจำ เป็นเพชรนินจินดาเป็นล้านแต่งานเราสองสามเดือนดาลาสวยงามนา ง, งามเรียงหักแล้วเพราะอะไรหึงหวงผู้หญิงไปพูดกับผู้ชายไม่ได้ผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงไม่ได้เป็นนรกหรือสวรรค์เรนั่นสวรรค์นในอกนรกในใจ ที่นี้เราไปเข้าใจคําว่าเอาของประทวายพระเป็นการทําบุญพูดเรื่องบุญดีกว่าเพราะพระเจ้าประสงค์ก็ามาเยอะแยะหลายธานุหลายรูปแล้วนะอืหลวงพ่อก็ตำหนิลูกติดลูกหาก็ถือว่าลูกติดลูกหาแหละเนี่ยมันหลวงพ่อมาแล้วถ้าหลวงพ่อหนี้แล้วก็ติงว่าลูกติดตัใครก็แล้วแต่ดอกไม้ทูบเทียนไม่ใช่พิธีกรรมของพระเจ้าจากพระพุทธเจ้ากำงามนั่นเอาผ้า อะไรมาหอ่ออีกข้างนอกมาดัดมาแปลงมาปรุงมาแต่งเก่งที่สุดประเทศไทยคือความปรุงแต่งปรุงแต่งหลอกลวงปิน้นป้อนตอนเองแล้วหลอกลวงปิน้นป้อนคนอื่นเห็นไหมเที่ยวไปอินเดียไปอินเดียต่างประเทศเขาไปนั่งสมาธิพระพนาคนไทยแฮ่อ้อมแล้วอ้อมอีกถือผ้าเลื่มเบี้ยมนั่ะใครได้ไปล่ะสองรอบสามรอบเอาลนะ อิทวีโซปะกวาลหาหังสัมมาสัมพุโทโธจุนั่นแหละเขาจะไปนั่งทางอื่นเขาอยากจะเข้าไปกาพุทธไทยก็แล้วขประเทศไทยยังไม่ออกมาขึงผ้าอ้อมผ้าโยนั่นแหละคดีประเทศนิเดียเขาไม่ตังเกียดผ้าห่มพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปลูกให้เมีย น, นุ่งห่มยังไงไปได้ผืนเดียวไหมผืนเดียวไหมไหม่มผ้าที่เจ้าประพุทพานน่ะ หอที่ไหนเต้ไหนไปเรียนเวียนหอเวียนหอเยอะนประเทศไทยอ่ะดอกไม้ทูบเทียนเต็มไปหมดมิแต่ประเทศไทยไปบุป้งไปแต่งนะโดยเฉพาอย่างยิงย่งวัดวาศาสนาหน่ะไม่ใช่ตำหนิพูดถูฟังถามว่าหลวงพ่อไปตำหนินะประเทศนี้ของคุณเจ้าประเทศนี้ของประเทศอินเดียสวยงามห้องน้ําใหญ่ที่สุดก็คือประเทศอินเดียใครไม่มีผ้าถุงยุ่งยากลําบาก ทีนี้ประเทศไทยไปเห็นตรงนี้ให้ความสะดวกแก่ผู้สแสวงบุญนั่นเห็นไหมล่ะโรงแรมเขาสร้างไปก็ไม่มีใครไปพักไปพักวัดพักวัดพักวัดสร้างความอิดชาดริสิจาให้จางประเทศเขาละที้นั่ น, นไปทำลายขนทมทำเนียของพูะเจ้าพระเจ้าพาอยู่ป่าทำไมไปทำอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่ตัตตารุอยู่ป่าเข้าใจไหมย่อมมาอะไรมาพักที่วัด ทำบุญที่วัดรวมพักที่วัดมาแสวงบุญเจ้าค่ะกุฏิว่างอยู่โยมมีที่พักแรกเจ้าค่ะพักที่ไหนรีสอดนั่นทําพูดก็ว่าไปพักวัดไปวัดแวงบุญที่วัดถ้า <c oughs> ไม่อยากแก่ทุกข์ไม่อยากไปเห็นบุญเห็นกุศลแล้วไปวัดทําไมไปว่าพักก็พักรีสอดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสู้ดีสอดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสู้ที่โรงแรม ไปเชื่อข้างสักข่าแเพ็บเดียวแทนนั่นก็ไม่ได้แล้วะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งพวกเราส่วนมากเข้าวัดนั่นแหละไม่ค่อยไปทําบุญก้มหอกตอนเองแล้วถ้าไปทําบุญก็ไหว้พระเห็นในเมื่อกี้นี้ม่นาตากาเดดบูชาแล้วไม่ใช่ดอกไม้มาลอกลุงหลังไปตัดเขามาเป็นบาปดอกไม้ปลอมหลวงปู่ไม่เป็นบาปคุณชอบของปลอมปลอมหลอกตอนเองหรือไปบอกไปปลอมหลอกคนอื่นอีกนั่นเห็นไหมล่ะ พระพุทธเจ้าได้ตดรัสสอนให้พวกเราปฏิบัติตามำคำสั่งสอนของพระเจ้าทานก็ทานธรรมดาศีลวันศีลวันพระก็รับว่านพวกนี้ไม่รู้ว่ากี่คนจะรับศีลภาวนาคือการทำบุญก็ไม่ขาดไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วจะ น, นั่งไม่ได้จิตไม่สงบปุ่นวายผมยุ่งโดยเฉพาะอยู่ชนบทนะยอมยอมวันนี้วันศีลวันพระแล้วผมยุ่ง นั่นแต่เมื่ก่อนทำไรทำนาก็หยุดนะวันศิลมันพระทุกวันเนี้ยไม่ได้ทำไรทำนานะข้าวเต็มทุ่งอยู่ในอำเภอไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อชวนญาติโยมลงแขกข้าเกี่ยวข้าวหน่อยให้ได้ดูเห็นงามๆหน่อยโว้ยเรื่องเขาขี้เกียจอยู่แล้วจะไปบอกเขาได้ทําไมล่ะอืมเพราะคนเราชอบมาก่ายนั่น <c oughs> เขียวเข้าทำไรไถนาไม่เป็นเดยบอกเข้าวัดจำศีลจังเข้าไม่ได้อีกจะว่ายังไงก็หมดคำที่จะพูดพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกทุกยากลําบากหากธรรมใครจะสู้พระพุทธเจ้าได้ก็เพื่ออะไรเพื่อสัตว์โลกเพื่อมาสอนสัตว์โลกเห็นโลกว่ามันเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์อยากสอนให้คนประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้มาเกิดมีโรงพยาบาลแห่งเดียวที่รักษาคน หายได้ก็คือโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าถ้าเรืงโรงพยาบาลในโลกในสงสารดีเท่าใดตามประเทศที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ถึงหายแล้วก็คือตายนั่นตายแล้วเกิดดีเกิดดีไม่จบไม่พบพูทศาสนายิ่งจะตกต่ากว่าที่เดิมพบนี่ชาตินี้อีกนะคุณธรรมสมบัติของมนุษย์มนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์คืออยู่ในสินห้าพูดออกมาก็หกพูดออกมาก็หก มีมหมล่ะสินหน้าจะรับสินหน้าลุางปู่ทำอะไรได้น่อยสิ่งห้านหน้ารับไปเราพหนีไปเรากลอก ก, กกันหลอกลวงกันเอาเล่าเอาตุลามาดื่มกันเล่นไพ่เล่นโบกกันนั่นรับวันยังค่ำคืนยังรุ่มก็เหมือนเดิมเป็นถ้าไมป่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิยัตนั่นบวชก็มาเพื่อปฏิบัติปฏิบัติให้ดูให้รู้ให้เห็น ที่พวกฝ่ายปกครองฝ่ายปฏิญญาบอกว่าพระกรรมฐานไม่สูตรไม่เรียนไปนั่งหลับหูหลับตาไม่ได้อะไรเลยนั่นถ้าไม่ได้อะไรเลยก็ทําไมไปกล่าวตูวพ่พระเจ้านิ่น <c oughs> ก็พระเจ้าแล้วพระเจ้าสอนว่าไงท่านจงตั้งอกตั้งใจเรียนพระกรรมฐานที่ไปสอนอุปชาไปสอบอุปชามาก็ให้ไปสอนลูกสอนหลานผู้ที่จะเข้ามาบวชก็ต้องให้เรียนพระกรรมฐาน นั่นแต่ว่าไม่ได้เรียนยังไงเจสาโรมานาคาดันตาตาโจตาโจดันตานาคาโลมาเจสาโลมาผมขนเล็บฟันหนังอีโรคมันยุ่งกับผมผมขนเล็บฟันหนังพระเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงนำไปพิจารณากรรมฐานห้าอย่างนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เห็นเป็นไปตามความจริงแล้วก็บเบื่อหน่ายนั่นธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงมันเบื่อหน่ายนะผมไม่สวยเล็บไม่สวย ขนไม่สวยหนังไม่สวยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดพูดทําไมพวกจดมลไหว้พระบ่อยๆพวกถือถิ่นบ่อยๆเข้าใจไหมกายาคาตาสติปนาอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังอ า, า, าหารไหมน้ำเกลือน้ำมูดน้ํำคูดไปลงสุดท้ายก็คือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายของเรามีอย่างนี้นั่นจะอาบตรงไหนยสังขารเกิดมาแล้วแก่เก็บตาย <c oughs> นี่รูปมาทำนามมาทำคือใจเข้าใจไมมในตัวของเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจอาศัยซึ่งกันและกันถ้ามีแต่กายเรียกว่าคนตายถ้าไม่มีใจถ้ามีแต่ใ จ, ใจยังไม่มาเกิดคนก็ยังไม่มาเกิดทั้งจำไปเวสีสแสวงหาที่เกิดใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ยากพบพุทธศาสนายากปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลัก ว่าเ <c oughs> สียกสงไปสวดไ ป, ไปท่องเอา <c oughs> ใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุะสัจจะติดโฉมนุษย์สาพระิลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐเป็นมนุษย์นะเกินเกินคนแล้วนะภูมิของคนกับมนุษย์แตกต่างกันมนุษย์ทะลกนั่นถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้อปฏิบัติธรรมทำธรรมของสองของพระเจ้าเชื่อศีลเชื่อธรรมมีบาปมีบุญ ถ้าคนเนี่ไม่เชื่อเอ้ไม่เชื่อเนี่ยก็ทําบ้างไม่ทําบ้างเห็นไหมล่ะเชื่อไหมล่ะถึงวันศีลวันพระมีคนรักษาศีลกี่คอนถ้าเป็นมนุษย์วันศีลวันพระเราหยุดการงานทางโลกเข้ามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเพราะภาวนาถ้าเขาเขารักษาศีลแล้วก็เกิดภาวนาเขาไม่ขี้เกียจแต่เพราะเห็นแล้วเห็นสวรรค์แล้วเคยดูก็ เ, เห็นเคยรู้ ถ้าไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นั่นประพัฒนตรลังคิตังอยากเกิดเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาอยากพบทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอยากฟังแล้วอยากทําตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่มาเกิดมีหนทางเดียวพอได้มีร่างกายเลื่อมใจแล้วนั่นพรหาหเวปัญจขันธาขันห้าเป็นภาละอันหนักดินน้ําลมไฟธาตุใจเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชาย แล้วรุดจันติย้อมดับไปนั่นไม่เที่ยงนะสังขารร่างกายใจแก่เจ็บตายไม่เป็นไม่เลี้ยงไม่ให้อาหารไม่ปรุงแต่งใจไม่รักษาใจสังขารร่างกายเจ็บนิดหน่อยเขาหาหมอหยวนิดหน่อยหน่อยไปหาดื่มา ท, า น, นทานู่นทำนี่ปรุงแต่งแค่นั้นยังไม่พอผมดีๆไม่เอาแต่งใหม่เล็บดีๆไม่เอาแต่งใหม่ ขนตาดีๆไม่เอาแต่งใหม่คิ้วดีๆไม่เอาเขียนใหม่จมูกดีๆแต่งใหม่ฟันดีๆไม่เอาแต่งใหม่เนื้อหนังมังสังดีๆไม่เอาแต่งใหม่แต่งไปแต่งมามันบูดมันเนา่าหาว่าสัญญกรรมไม่ดีหมอไม่ดีฟ้องร้องกันแต่ทียิงไปจากไหนละ่ะไปจากเราไม่พอดีพระบรมราชวาุพระองค์ว่าอะไงพระเจ้าแผ่นดินของไทย จงเย็นดีกับของได้จงพอใจกับของมีจงรู้จักคำว่าเพียงพอเพียงพอไหมล่ะเล็บไปเขาแต่งให้ขนตาให้เขาปลูกให้ถ้าปลูกดีก็บาดีปลูกไม่ดีดาบวมฟ้องร้องกันอีกผ่าตัดไม่ดีฟ้องร้องกันอีกนั่นก็พูดแต่งว่าทำเป็นทำงามอย่างนั้นนี้กับไปฟ้องไปบอกประกาศกันมาสิพูดเชื่อก็เชื่อ นั่นก็ไม่ฟังเหตุผลของพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้อะไรก็เชื่อหมดเชื่อหมดือไม่มีเหตุผลนั่นพระเจ้าให้เชื่อเหตุผลนะนั่นแหะได้ยินได้ข่าวเล่าลือมาพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเขาเล่าลือมาทํอยางนั้นสวยงามทําอย่างนี้สวยงามนั่นเขาบอกว่าหัาจุดดอกไม้ทุเรียนบูชาก็ไปเชื่อซึ่งไม่ใช่พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาตั้งขึ้นมาหมดแล้วกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวง พระพุทธศาสนาตำนักพุทธแต่พายาโยมทําวันถินวันพระทำยังไงตินนี่วันข้อพรรษาพากันแห่ทูบแห่เทียนเข้าไปแข่งกันในวัดในว่าฟ้อนลําธเบอคมดิดสีตีเป่าไม่มีทูบเทียนแข่งไปแข่งนั่งนบปมาต์เอาโรคโป้ไปทําในวัดทางกฎหมายห้ามพวกใจดื้อด้านนุ่ง น, น้อยห่มหน้อยเข้าวัดนั่นแต่งตัวไม่สุภาพ พวกไหนแต่งตัวไม่สุภาพเอ้าก็พวกกิเลสเอากิเลสเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นเบากิเลสเอาที่กิเลสเลี่ยงแต่กิเลสไม่ดับกิเลสเนีไม่มีปัญญาจะดับกิเลสแต่ฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปก็คือฆ่ากิเลสเนี่ยขอม่ได้ใช่ปืนไม่ใช่ได้มีดไม่ใช่ค้อนปัญญาฆ่ากิเลสเนี่มันก็ฆ่าไปทีความสวยความงามนี่มันเกิดกิเลส ออกมาทำทำไมล่ะไม่ใช่พิธีกรรมของคนเจ้าพิมพีพรมดอกไม้แถวนั้นสีดอกไม้แถวนี้สีเทียนแถวนั้นสีเทียนอย่างนี้สีเทียนแถวนั้นชุดงานศพแต่ละจรวดได้เทศจรวดได้ตรวดถ้อ ย, อย ท, ทำไม่รู้จากกี่สามาตรกว่าจะได้เทศ <c oughs> จู่ทั่วจู่เทียนจู่ทั่วจู่เทียนไม่บ้านฟ้องร้องกันอยู่เห็นไหมละ่ะนั่นเป็นเรื่องจู่เราไฟเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นจากห้องพระเนีะ่ะเห็นลูกตาย ก็มไม่เชื่อว่าจะเป็นลูกตายเพราะฆ่าหรือตายจำกรรมตามเป็นก็ไม่รู้นั่นถ้เป็นเรื่องเป็นล่ากันนั่กไฟอะไตีของมันร้อนเคยพูดอยู่เหนือคอนปฐมสร้างพระประธานไว้เป็นสักการะบูชารักษาประเทศไปสร้างไว้ทำไ้ตากแดดตากฝน บอกเอาอะไรไปมุงให้น้อยเคยบอกผู้ใหญ่ผู้โตไปหาทําย่งินทําได้ไปตากให้ท่านมีความร่วมเย็นเป็นสุขผู้นับถือแต่ร่อนหรือไม่ร่อนเราชอบร่วมเย็นก็ไปมุงให้ท่านร่วมเย็นดัางที่ไปยืนตากแดดตากฝนกี่ปีกี่เดือนแล้วถ้าเอาเราไปยืนหนึ่งชั่วโมงได้ไหมล่ะผู้ที่ไปสร้างไปทําทํานึกว่าเป็นบุญเป็นคุณให้ทรางตาัดให้ท่านตากแดด มันจะเป็นมงคลไหมล่ะเพราะฉะนั้นโดยขอกะท่าเงแ้พวกไอ้สมัยใหม่ทุกวันนี้พระทัานใจพระทันใจสร้างสองสามวันเสร็จสองสามวันเสร็จมันควไม่เอาต้องทาให้ที่มุงพอม จ, อจึงจะเอาจีงจะให้สร้างถ้าไม่มีที่มุงมุงเทกกันไม่ให้ทำคานึงถึงใครที่ผู้สร้างไม่มีหัวใจรอดหนาวหรือแล้วต้องการความร่มเย็นก็ให้ท่านร่มเย็นบ้างสิ นี่เราขาดอย่างเดียวคือกาดทําบุญอยากฝากไว้ให้การทําบุญนะมันไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนนะเกิดแล้วแก่เจ็บตายทั้งขาทั้งกายเห็นไหมใจของเราที่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดไม่เป็นแก่ไม่เป็นเก็ บ, ไ ม, กบไม่เป็นตายไม่เป็นคือใจแต่ถ้ามีธรรมของพระเจ้านะไม่มีเกิดอีกพระเจ้าสอนให้คนไม่ให้มาเกิดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้มาเกิดเราเกิดแล้วไหมร่ํำรวยกับสวยงามนี่นั่นไม่เกิดแล้วเราไม่ก็พูดกับโยมเมื่อกี้นี่ชอบสวยชอบงามเกิดแล้วนั่น พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเราทำเมื่อกี้เห็นไหมไม่ต้องไปจุดหลอกทูบเทียนแสงเทียนสองตาแสงปัญญาสองใจถ้าจุดทูบจุดเทียนตรวจหน้าเห็นสวรรค์ น, นิพพานหลวงพ่อไม่ต้องบวชแล้วออกไปจุดทูบจุดเทียนหาตรวจน้าเอาเ น, นี่ยนี่แหละคนเราไม่ได้กันกองเพราะขาดการทําบุญขาดตัวเดียวไม่มีอะไรแล้วพระเจ้าพระสงฆ์โจมมาอะไรถะวันทั้งกทานจุดทูบจุดเทียนนะ ถวายสังฆท า, านตรวจน้ามันนะยมนั่นก็เลยไปติดจุดนั่นแหละไปติดจุดทาทานเห็นไหมล่ะมาใครใครมาตัวเปล่าวังเบาบุญคือเบาเข้าใจไหมถ้าเบาก็ไปได้ถ้าหนักไปไม่ได้หนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่ยากเราเคยเดินทางไหมใครเคยเดินทางมีของกับไม่มีของอะไรสะดวกกว่ากันถ้ามีของวางของ ลงเครื่องบินแล้วค่อยกระเป๋าค่อยของถ้าคนไม่มีไปถึงไหนแล้วจึงได้ย้ำให้โยมฟังอยู่นะหาความมีออกจากใจนั่นถ้ามีปัญญาจึงจะหาออกได้แล้วมี ม, วมีนู่นมีนี่เอาอะไรไปขถาาวายพระก็ว่าทำบุญนั่นอ <c oughs> งานที่ทีใหญ่แย่งกันใส่บาทแย่งกันใส่บาททถ้าไม่พระลําบากก็ว่าทำบุญกันโอ้ยยิ่งเท่ายิ่งแก่ละแต่พ า, า, ายบาทจะ ไม่ไหวเราเดินรอบบ้านรอมเมืองทำนาบนหลังพระก็ว่าทำบุญที <c oughs> หงเคยบอกมือเจ้าก็าให้บอกยอบอกหลวงพ่ออ่อ่ฉันหลวงพ่อปิดบาทถ้าใครโกรธคนนั้นเป็นบาปเพราะพระพุทธเจ้าให้ฟาดที่ถุงรับอาหารแค่ขอป บ, าบขอปากบ า, กากบาทไม่ให้รับเกินขอบปากบาทนะรู้จักบาทไหมเดี๋ยวบาทประเทศไทยเรื่องโูกใหญ่ซะด้วย <c oughs> นั่นบาทพุทเจ้าเล็ก เพราฉันอิ่มไปบ้านสองบ้านพอฉันอิ่มกับที่พักเอาไปทําไมของเขาทํายากลําบากลําบนเราไปทิ้งทําไมทําไปทํามาทำให้พระเกิดที่เละพระมิตรบาดรขายมีแล้วไม่ได้ยินเหรอมีก่อนได้ยินข่าวว่าเขาทะเลาะกันโยวแก่ขายของใส่บาทนั่นอีกคนหนึ่งของถูกมาใส่บาทอีกคนหนึ่งของแพงห่วย ร้านนี้ทำไมทาขายของถูกแท้ขายดีแท้ทำท่าเอาปืนไปหลอกกันยอกกันเล่นไม่รู้ไปยังไงกรรมอะไรก็ไม่รู้ไปรั่นยิงกันตายนั่นนะพราะคนหนึ่งพระบิณฑบาตลเอาวิเวียนขายมันก็ถูกเพ้แล้วก็เป็นเรื่องราวมาแล้วสมัยก่อนอยู่บ้านนอกร้พศศูนย์แปดศูนย์เก้ า, า 8, 09, มีวัดอยู่ในบ้านไปบิณฑบาตตาข้าวแห้งขายหมาไปยินเขาแห้งรงนึง เกือบจะมัดเหาว่าหลวงพ่อสององค์จำพรรษาด้วยกันจ้างมาสีด้วยนะหลวงพอ่อหลวงพอ่อตำไมไปขโมยข้าวแห้งผมผมตากไว้ทำไมมันเหลือครึ่งเดียวนั่นผมไม่ได้รักไม่ได้รักทำไมมันหมดไปไ ป, ไปมาสุไปเดีวหมากินดงหนึ่งครึ่งดงหรอเอาหลวงพ่อไปเป็นพูด เ, <c oughs> เกือบไก่กันไปสั่งไปสอนไปตักไปเตือนไปบอกไปกล่าวจะพระจะแตกพรรษาหลวงพอ่อ ดัดจมก็ไม่มีความนึกคิดแล้วว่าพระทะเลาะ ก, กันเพราะอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยไปย่ําแล้วย่ําอีกหลวงพ่อเราบวชก็มาแล้วจะทําทให้ละอายหลายพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าสอนให้มาทาละสัสางสักพอ่อกิดใจให้ค้าหาความมีออกจากใจจะให้มันมีอะไรเกิดความโลภขึ้นมาถ้าไม่อยากจะได้สินได้ธรรมพุทธเจ้าให้สอนหาสินหาธรรมไม่ใช่สอนให้มาหาเงินหาทองหาข้าหาขาย อดรนทนออกเดี๋ยวออกคนสาหรอไปโทษจึงค่อยอยู่ได้่ะก็เป็นสาเหยียดจากโยมเนี่ยเราไม่เข้าใจโยมทําตามพระพระทําตามโยมทําตามโยมเสียพระยัดเยียดให้พระทำอย่างนั้นยัดเยียดนั่นพระบิณฑบาตมาเรายัดเยียดให้พระสงฆ์ใส่ถ้วยใส่จานบางวัดจัดใส่ถ้วยใส่จานให้เป็นแถวมือเท่านึ่งกระแต่งถ้วยจางจานให้แต่หลวงพ่อก็ไม่ใส่หรอเพระพระเจ้าสอนแนวสันในบาทบิณฑบาตนั่น นิตตบาทยังคีบินดยโลพโพชนงนิตทายาปรณทชาตตะเตจวะสังุจข้กรณีโยนุศาสตร์แปดอย่างนิสัยสี่กรณีกิจสี่ิตของพระภิกษถสงครทำคือนิตตบาทยั่งคีบไม่ใช่วัดเป็นรงครัวเข้าใจไหมรงครัวทั้งลงครัวในวัดพระภิกษุสงฆ์รู้โยเขาทาถวายพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ฉันไม่ได้ มังสังสิบอย่างเข้าใจไหมมีอะไรบ้างนั่นเนื้อข้อสุดท้ายเนื้อที่พระภิกษุสงฆ์อาหารที่พระภิกษุสงฆ์ฉันไม่ได้คือเขาทำให้พระภิกษุเห็นให้พระภิกษุรู้เดี๋ยวนี้ยิ่งเขียนในกระดานไม่ใช่หรือบางวัดวันเสาร์ต้มน้นวันอาทิตย์เต็มนี่วันเสาร์แดงนั่นแจไปไม่มีตารางสวมดมนต์ไหวพ้พระไม่มีตารางนั่งสมาธิ นั่นทําให้พระรู้ยิ่งไปบอกก็ได้หลวงพ่อต้มยังมือนี่หลวงพ่อแกงยังมือนี่พูนออกชื่อคณะโพยังใดจางหนึ่งพระพิจิตสง์ฉันไม่ได้ไปเห็นเขาทําให้พระสงฆ์ถวายพระสงฆ์ฉันไม่ได้ถ้าไม่ทําตามคําสอนของผู้เจ้าจะเห็นไหมละสะวรรค์นิพพานผู้เจ้าสอนให้พระทำวิญัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายที่วันพระพุทธเจ้าสอนสุดท้าย ธรรมเทศจนาขั้งสุดท้ายว่ายะวิยะธรรมาสังขาาสังขารทั้งหลายไม่ไม่เทียเ่ยงนี่ตั้งบอกตั้งใจทําสมาธิธรรมธิภาวนาให้มากๆเลยพระภิกุสงฆ์มาประชุมกันวันสุดท้ายโดยแม่นรัต น, น์นายพระภิกษุสงฆ์พระละหันจิเนลูกแล้วก็พระบวชใหม่ก็ตามมาประชุมกันพอได้พระสงฆ์มาหมดแล้วพระอนนก็ไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าขา้า พระพิชิสูงพิชิตนี้อะไรก็มาเต็มหมดแล้วถึงเวลาแล้วพระเจ้าก็ไปแสดงธรรมดีภายในสามเดือนข้างหน้าเล่าตถาคตจะปรินิพนันนั่นคําไม่มีใครได้ยินไม่เคยได้รู้ได้ยินแค่นั้นท้าอยู่สงล่องห่มล่องให้องค์ที่บวชใหม่ๆยังไม่วางใจปล่อยใจไม่ได้เราเพิ่งบวชเข้าใหม่เข้ามาพระเจ้าจะประนิพนันแล้วทํายังไงเราพึ่งพาใัยอะไรที่นา้าใครจะสั่งสอนพระเจ้ารู้จกักจิตใจเวไนยสัตว์ น้พระฤาษีองรอ่องให้เพราะอะไรผู้เจ้าก็เทพศสนาวัดนั่นละ่ะหลักทำหลักพระวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายเราตถาคตไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกเธอทุกท่านทุกลูกน่ะเข้าใจไหมทุกผูเจ้าก็อยู่ในใจของเราอยู่แล้วพุทธะแปลผู้รู้นี่เราขาดความรู้เพราะเราไม่ทำบุญไม่มีอะไรถ้าเราทำบุญเราเกิดความรู้ น, น่เราดูเราเห็นเรารู้เห็นไหมเมื่อกี้ดูหนึ่งนาทีเห็นไหมเห็นความสุกไหมตัดกิเลสได้ไหมตัดจิเลหตเลหนึ่งนาทีถ้าคนตั้งใจดูนะถ้าไม่ตั้งใจดูก็พูดกันไม่รเรื่องประเจ้ตังรู้จําเพาะตนพระพุทธเจ้าได้ตัดตัวรูปบอกใครจะเชื่อแม้ทั้งพระพระจ้าวัคขียังไม่เชื่อนั่น ปฏิจจตั้งรู้จำเพาะตนผู้ ด, ดูเห็นเองรู้เองเหมือนมาที่นี่ไปถามคนไม่เคยมาเขาก็บอกไม่ถูกไปถามคนที่ไม่เคยไปสวรรค์ น, นิพพานจะบอกถูกไหมและคนเขาไม่เคยไปก็จะบอกถูกจะรู้ไหมว่านิพพานอยู่ที่ไหนสวรรค์นในอกนรกในใจนั่นไม่ใกล้ไม่ไกล้เลย <c oughs> เห็นสวรรค์เห็นไหมเมื่อกี้ดูลมเข้าล่มออกไม่มีก้มเกิด สบายไหมสุกอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีเอาทำของพู้เจ้ามาแก้มาถามในใจของเรากิเลสอยู่ในหัวใจไม่มีแต่กิเลสฉันทําไม่ได้ก็กิเลสจิตไม่สงบหลวงปู่ฉันทําไม่ได้เคยบอกกลัดยมอยู่คนไหนได้ฟังก็ ค, คงจะรู้อยู่ว่ามีสัจจะคําเดียวผู้เจ้าจตัดตรัูเพราะสัจจะเราก็ต้องมีสัจจะจัดนั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งนาทีทุกวันนะ ไม่ใช่ขี้เกียจไม่ทำขยันทาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องทุกวันเหมือนอาหารกายอาหารกายวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งไม่พอแต่อาหารใจไม่เคยได้ให้อาหารใจอาหารใจไม่ได้ซื้อทำไมไม่ได้ทำคนอยู่กับลมทำไมไม่ดูเราลมไปดูผมขนเล็บฟันหนังนนมาเล่นเอามาเพื่อมาเพื่อค่าเงินเดือนคันดาวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่พอใช่ นะคนไทยเพราะอะไรเรามาปรุงมาแต่งตามกิเลสเสื้อผ้าเต็มตู้ออกไปเห็นเขาขายซื้อจาสีฟันหลอดนี่ไม่ดีสบูก้อนนี่ยี่ห้อนี่ไม่ดีรถมอเตอร์ไซค์ยีย่ห้อนี่ไม่ดีรถยนต์ยี่ห้อนี่ไม่ดีเอ้าไม่เอา้เอาไม่ป้ายไม่แดงไม่ซื่อไม่ขีถ้าไม่เป็นนี่สยามเมืองยิ้มเดี๋ยวนี้สนามสยามหน้าบุตรก็เพราะอะไรล่เพราะมิแตนี่ เพราะควรไม่เร่งทาบุญเนี่ยมึงพุทธมันน่าละอายไหมนะ่ะก็วัดไม่รู้จักคําว่าทําบุญไปวุ่นวายกับพระกับสงฆ์พระสงฆ์บิดาบาดได้ไปเยี่ยงแยดตามไปซรงอีกจัดใส่ถ้ยถวยใส่าจานใส่ภ า, าชนะอย่างนู้นอย่างนี้ให้ภาพพิสุทธิถงฉันละลอยฉันละลอยมิตรเสริมกิเลสให้พระแทนที่จะไปถากกิเลส ช, ช่วยพระนั่นคนเราชอบยุ่งนะพระอยากสบายยอมโดยจํำในพระยุ่งแล้ว ไม่ไดฝากไปเลยเห็นไม้มขนของไม่จะทําให้พระยุ่งมาแต่งให้พระผิดธรรมวินยัยทานให้พระสงฆ์ถูกต้องตามหลักธรรมวินยัยจึงจะได้บุญทานสิ่งที่ผิดธรรมวินัยเป็นบาปนะนี่ผิดธรรมนะดอกไม่ทุบเทียนมาลากันทับวิเลแปลว่าอะไรนะจะกีตวะทิตาวิสุกรัตนะมารากันทับวิเลย ส, นะสองข้อมาเป็นข้อเดียวกันถ้าทั้งหมดจริงๆมันเป็นศินเก้าข้อไม่มีข้อเดียวคือ อาตรูประชะปฏะทีฆะคือถือเงินถือทองพระพิสุสงฆ้ามไม่ถือเงินถือทองข้อสุดท้ายนะนั่นที่นี่ถ้าไม่ได้ไม่เอาไม่ไปนั่นเดี๋ยวนี้ต้องแต่งใส่หนังสือเป็นเล่มเล่มพิธีสวดมนฑลพุทธมณฑลในบ้านพิธีส ว, วดนนสวดนี้จัดในหนังสือเรียบร้อยเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายทํำง่ายพวกเชื่อนะอธิบายดีไประเทศเอา ยกยอปอปั้นเสริมให้คนมีเจตนาให้ตนเองมันผิดธรรมแล้วนั่นที่ต้องทำเถิดอยู่ในนี่ถ้าเอามาเพื่อสวยงามก็ผิดธรรมด้พระวินยัยพระเจ้าห้ามไม่ให้บูชาดอกไม้รูปไร่ของหอมนั่นนาจะคีตว่าห้ามไม่ให้ไปสงไปพระสงฆ์ไปดูเขาฟ้อนรำธรรมคมดิดสีตีเป่าและตนเองก็ไม่ล่องรำธรรมคมดิดสีตีเป่าทั้งไม่ไปดูทั้งไปไม่ล่อง ที่ไม่ไปดูแต่ถ้ายกพฤิกาไปฟ้อนเข้าวัดแหน่าเข้าวัดแห่พ้าป่าเข้าวัดนั่นกิจกรรมพระพุทธศ า, าสนาว่าอั้นนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเอาพุทธสนาไปโลดแล้ว <c oughs> ไปทําบุญทำบุญโอ้หยุดพูดซะดีกว่าไปทําบาปีะดีกว่าถ้าเอาอย่างนั้นไปรักษาวัดประเพทนี้ประเพทนี้ของพุณเจ้าทําไมไม่เอามาพูดเล่าประเภที่ประเภทนี้กเกเรตเอามาพูดทําไมามาทำทำไมทั้งพูดทั้งทํา เห็ในในวันเขา้าพรรษาจังหวัดอุบลแห่เข้าไปไม่ใช่เป็นนายกรองนายกหนเหรือพระกันแห่เทียนเข้าไปถวายพระไปแข่งไม่ใช่ไปถวาย <c ười> ใครต้นยาวใครเสียเงินมาก ห, หมดแข่งเทียนแล้วเขานั่งปปรถพมาาไปแข่งลูกโ ป, ป่งไปแข่งคําพูดห้ามแต่งตัวไม่สุภาพเข้าวัดหรือว่า <c ười> เห็นไหมประเทศเท่าลาวเขารักษาไวนะ้ใะประเทศพม่ า, มาใครได้ไปบ้างไม่ให้ใส่รองเข้าเข้าวัด โน่นประเทศเราจะไม่ใส่ผ้าถุงไม่ให้ใส่บาทไม่ให้เข้าวัดโน่นนี่แหละประเทศเรามันน่าละอายเพราะชาวไทยชาพุทธชาวไทยชาพุทธนะ่ะต่างประเทศเขามาเพึ่งพาอาศัยล้มโพล้มไสของพระพุทธเจ้าพอเขาร่ํารวยมาก็ป้นเขากองเขาตั้งแต่ลงแท็กซี่ป่นเขาแล้วกองเขาแล้ว เขาสวยงามไปข่มขืนน้าใจเขาเขามาพึ่งพาใส่ที่ไหนถ้ามีปัญญาอยู่ในศิลธรรมประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดเป็นประเทศของไตรวดานะถ้ามีศิลธรรมนะไม่ต้องไปทํางานอย ง, งินเอ า, าเฉพาะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเอาไม่ไหวนะถ้ามีคุณศิลปคุณธรรมนะไม่ต้องอะไรมากพระเนี่ยอยู่ในศิลห้านี่ยแหละบริสุทธิ์บริบูรณ์คู่ไหน สามีปัญญาคู่ไหนมีสินะเป็นคู่สามีปัญญาเทวดาเป็นบ้านเทวดาเป็นประเทศเทวดานั่นนี่เราไม่แต่ชื่อไม่ได้สักข้อก็มีบางครอบครัวสิน้าข้อไม่ใช่อยู่ในตู้นะสินทำอยู่ในตู้ไหนจะสู้สินทำอยู่ในตัวไม่ได้อยากให้มีอยู่ในตัวอยากให้มีสมาธิอยากให้มีปัญญาความจริงมันขาดตัวเดียวนะถ้าพูดมากไม่สิ้นส่วนรองเรื่องของโลก ถิธนทมไม่กลับมาโลกาพินาศเอาคำนี้มาเตือนใจของเรานะสิธนทมไม่กลับมาไม่ต้องคำไม่ไม่ต้องคำนึงถึงประเทศของเราหรอกไม่คำมาสิธนทมไม่นำมาในหัวใจของเราไม่กลับมาในหัวใจของเราให้เตือนรัวเราดีกว่านะนั่นแนหะเราจะพินาศรัวเราจะพินาศนะนั่นให้ทำไปเถอะสิ่งที่ทำไม่ได้พระพิจารณาไม่ได้สอน นั่งดูลมหายใจเข้าออกมีสัจจะนั่นแ่ะเขามีสัจจะหนึ่งนาทีนานเข้ารู้เองเห็นเอง เ, เ, องเมือ่อ้วรู้แล้วเหมือนเราไปทานอาหารกายร้านไหนร้านอาหารอาหารไหนทำอร่อยไม่ต้องไปถามใครแล้วยิ่งแเพพาะอาหารใจนี่ผู้เจ้าหาอาหารใจมาให้พวกเราเราเอาเปรียบผู้เจ้าพอแรงแล้วนะหาแทบล้มแทบตายหกปีแล้วผู้เจ้าหา หาอาหารใจอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวแต่งใจอย่างเดียวนะทำทานสีอสงไขกับความไร่แสนมหากับแต่ไม่ตัดทารุเพราะการทำทานทีนี้พวกเรามันตรงกันข้ามละทีนี้ผู้เจ้าไม่สนใจเรื่องทานแต่เราไปสนใจแต่เรื่องทานคนให้พระยุง่งทาของไปถวายพระให้พระยุง่งถึงกับพระขายสิ่งขายของตามจับพระยุพระพระบอกให้เอาของมาถวายพระไม่ใช่หรอ พระพุทธเจ้ามีหนังสือเล่มไหนหนพระไตรปิฎกที่ญาติโยมตามจับพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าทำสอนตามความจริงไม่ผิดไม่เพี้ยน <c oughs> นี่ก็เราขาดแต่เดียวนั่นแหละขาดการทําบุญให้ได้ห น, น, นักตัวนี้ให้ไม่แน่นห น, นักพวกพวกการทําบุญเนี่ยภาษาอีสานเที่ยวทั้งเวิงเหิงไหลายมันติคํำมแต่พวกบากว่ามันติสาคํคทาทั้ง ท, ทั้งเวิร์กบอสทุกที่เทียนผู้ชาติดอกไม้รูปไร่ของหอมตรวจน้ําเน่านั่นเนวนี้ทั้ทงเวิรบอสนั่นใา้คาทั้งเสียเวลาถ้าเข้ามากาับปบปับป๊บปับ๊ปิมินาตะการเดนะพุทธังธรรมังนั่งดูลมหายใจเข้าออกหนึ่งนาทีเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นวาตนาเป็นเราเรามีเคยดูเคยรูกก็ เ, เ, เ, เห็นนั่นสุดยอดอยู่ที่นี้มีปัญหาเรื่องใดเข้าสมาธิเข้าสมาธิทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วฟังดูสิ นั่นลหละให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงถ้าเอาเข้าใจง่ายให้ดูบอกให้ดูถ้าดูก็เห็นก็รู้บอกสไลไม่ดูไม่เห็นไม่รู้ตอบง่ายไหมรู้หรือไม่รู้ปัจจตังรู้จำเพาะตนนั่นผู้ทำรู้เองเห็นเองผู้ดูรู้เองเห็นเองให้พยายามแน่นหนักนะ เน้นหนักภาคธำบุญไม่มีอะไรหรอกอาหารใจไม่ได้ซื้อเราไปสนใจแต่อาหารกายไปแต่งแต่กายแต่อาหารอย่างเดียวก็ยังไม่พอเครื่องปรุงเครื่องแต่งเครื่องดัดเครื่องแปรงเครื่องมือมเอเพื่นเพื่อนเตยเตยยัยยนมารวมอยู่ในกิเลสตัวเดียวกายตัวเดียวที่นี่ใจนั่นสังขารร่างกายว่าอย่างไงละ่ะเกิดแล้วแก่เจ็บตายเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์กกกตายเป็นทุกข์บ่นไปบ่นยังค้ำคืนยังรุ่งกับเหมือนเดิมถ้าไม่นั่งดู นั่นนั่งให้เห็นทุกคนได้เห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมนั่นคำของพระเจ้าทุกคนเกิดขึ้นในหนังสือเห็นไหมล่ะหนังสือคนท่นทุกคนท่นทุกอ่านจบจีจบได้กับอ่านอ่านไหมเรานั่งให้ดูให้เห็นให้รู้ไหมนี่ก็ยังไม่ได้นั่งเตรียมอัตนะกลัวเจ็บนั่นต่างประเทศยิ่งนุ่มกว่านี่นะเป็นไข่กระมอนนุ่นวยยังไม่เห็นธรรมก็จะกลัวแล้วกลัวธรรมแล้ว เพราะใครมันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะดับได้ไหมดับได้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นคนพ้นทุกข์พ้นได้หรือไม่ได้เรื่องตนเองนั่นและรู้เองเห็นเองนั่นเครื่องตัดสินกันนะเราเห็นทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ไหมมันทุกข์ได้มันต้องหยุดได้นั่นคําแก้เราก็กลัวก่อนแล้วยังไม่ทุกข์เลยทุกข์ยังไม่เกิดกลัวแล้วโอ้ยไปวัดไม่มีที่นอนโรงแรมดีกว่า ว่าทุกข์แล้วอาหารวัดไม่อร่อยมิถะเข้าก้นบัดเอาไปกินเองดีกว่าเข้าโรงแรมดีกว่าร้านอาหารดีกว่านังไม่ได้นั่งแล้วเอาเสือออาสนะมาปูนั่งแล้วนั่นยังไม่เห็นเลยนะเาคิดดูอาหารใจเนี่ยเราได้ดูไหมเราแต่เกิดมาเคยดูไหมลมเข้าลมออกเราพระมากีีลกูกท่านถอนตรงไหนบ้าง นี่แต่เงจงจะโยมนั่นผู้เจ้าสอนในพระทิศสูสงทำตามนี้พราแม่กูบาอาจารย์พาหลวงพ่อทําตามเหมือนผู้เจ้านะไม่ใช่มาอวดนะผู้เจ้าพานั่งยังไงจีวันจีวันก็นั่งให้มันเห็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันดับได้มันไม่ได้แต่หลวงพ่อว่าดับได้คนก็ไม่เชื่ออีกนั่นผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นคําตอบของผู้เจ้าดูในป่าได้ลงบา ง, บางปีไม่ได้ฉันบางปีก็ไม่ได้นอน แทบจะไม่ได้ฉันอาหารเลยข้าวเนี่เขา เ, าเปล่าเปล่าที่รักบุตรกับมันซำไปบินตบาดในปา่าเขาทำไรอยู่ในปา่าดเมื่อดำปีปีมาปัน้นเขาแบงในพระ เ, <c oughs> เขียนแอไว้เขียนแอลไว้ไปข้อเขาไปเกี่ยกของห้าเฮให้ทำไรข้าวอยู่ในปา่าในดงลึกๆเขาจะรู้ยังไงว่ามีมาพระมาบินตาบาดถ้าเขาเตรียมอะไรไปกินละ่ะเขาก็ไปหาตามปา่าตามดงเขาจังไม่ได้หา เขาเอาแต่ข้าวเหนียวใส่ห่อไปเมื่อเส้นนาสเส็จหลังมาปั้นเขาใส่บาดก็นั่งเห็นไล่เมื่อยู่ได้นังกินได้ทุ่มเมือ่อเอาช่อนใส่เอาเมื่อใส่ถุงพลาสติกมาเจ็บเขาใส่บาด <c oughs> กลัวพระลังเกียดจว้ยพระลังเกียดก็ดีตัว่าในเพลินเพื่ อ, อนายในรูปในเสียงในกินในรสเต้นตัวนั่นช่วยพระสงฆ์ปราบกิเลสเนี่ยฆ่ากิเลสมันก็ดีกว่ามาสงเสริมไม่พระเกิดกิเลสเด้ ได้บาปตั้งคนให้ได้บาปตั้งคนรับประทานด้วยเราไม่เข้าใจพุ ท, ทธทบริษัทสี่ช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธชาวพูดไปวัดทำบุญทำบุญอยากให้สนใจคำว่าไปทำบุญอยากโกหกตนเองบอกมูพ่พวกพระจะมาไปทำบุญนัน่นมิไดคุยกันไม่ดูเรื่องอะไรต่ออะไรแตมไปหมดยุ่งนั่นแหละคนเราชอบยุ่ง ฝากไว้ไม่อร่อยลุงพ่อพูดยกจอพอพันไม่เป็นนะเพราะพูดกับเจเลตมันต้องเอาถึงขังตึงตังข้าลงไปมันตึงค่อยถึงใจโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนั่นยกจอพอพัน ด, ดีแล้วดีแล้วมาเกิดทําไมถ้าดีก็ต้องดีนั่นทีถ้าดีก็ต้องมาปฏิบัติตามคําของพุทธเจ้าที่ไม่มาเกิดอีกเกิดหรือไม่เกิดรู้อยู่แก่ใจนั่นความแก้ฮะ น, น, น, นี่องดอกนไะม้ทุบเทียนมันงามนั่นเกิดแล้วใช่ไหมยอ ม, ท, อมทําไมปาระปะดาดอกไม้ทุบเทียนเยอะแยะเพื่อสวยงามเจ้าข้านั่นเอาดอกไม้ไปใส่แจกันเอาน้ําไปใส่เกิ ด, กนนกดยุงขึ้นไปตอดคนได้บุญก็ได้บาปหรอไม่เข้าใจเ อ, อีกพวกหนึ่งก็มาบูชาอีกพวกหนึง่งเอาไปปูให้พระสงฆ์เดินทวดดองจเชื่อจุดไหนเชื่อองค์ไหนหรอ ต้องพอว้าวใจทีจจเป็นตแต่นเงยแต่นอคนนอนี่บัดนั้นแล้วมันเป็นมีกล้าถามกินค้อมือเตะที่ไดนก็เสียไปเหมดเสียไปเหมือดภาควยอยากให้ทำบุญอยากให้มีสติอยากให้มีปัญญาพระแสดงธรรมเทศนาสามธรมสามสหกรมาสอยู่ตามชนบทบ้านนอกถามกันกข้อใหญ่ๆห่ใหความปัญญากับทบออรกกบทัพย์สมบัติเจ้าอะไรส่วนมากก็เอาทรัพย์สมบัติ เพราะกองเงินกองทองมันเห็นอยู่เร็เอาทองคําไปกองไว้ภาพเงินทั้งทาสมมุติขึ้นมาเอากองเงินกองทองไปกองไว้โดปัญญาปัญญาจะกิ่งใสเปลยวเ่าเห็นแต่งแนวมันไปตอบเอาทัับแล้วหนูกูกองทองใหญ่ปปนี้ไหมดีทางถูกต้องปัญญานั่นแสงสว่างเสริมมาด้วยปัญญาไม่มีนั่นคําของพระเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่น คำของพุทธเจ้าเสียงพุทธเจ้าเทศอยู่ในหัวใจเราพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานเรามีพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจหัวใจเป็นพุทธเจ้าไหมถ้ามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นพุทธเจ้าอย่างนั้นนั่นะพุทธะแปลว่าผู้รู้นี่เราไม่รู้ก็เพราะเราทำตามกิเลสไม่อยากดูมันไม่สงบมันไม่นิ่งนั่นไปทวนกระแสของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสุกขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็เอาไปสุกขอื่นยิ่งกว่าความบุ่นวายไม่มี สุกื่นยิ่งกลัวความร่ำรวยไม่มีสุกอื่นยิ่งกลัวความสวยงามไม่มีมันท่วมกระแสของพุทธเจ้าแล้วนะนั่นแะหละพระยามดูให้เข้าใจละ่ะหาความมีออกจากใจอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคําโพูดความคิดของตอนลนของเองสิ่งใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนั่นเป็นธรรมของพุทธเจ้ามันคิดเบื่อหน่ายคิดขึ้นมาให้เบื่อหน่ายธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความ เจเลสยอมใจเพื่อคงกำหนัดย่อมใจนั่นไม่ใช่ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ทำตามพุทธเจ้านะไม่ใช่หลวงพ่อเทศให้ทำตามให้ฟังคำของพุทธเจ้าด้วยอำนาจบุญกุศลของตนญาโยมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสริญตลอรัตนานิมนลหลวงปู่หลวงพ่อมาให้เอกว่าทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็เป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งสังดิสิทธิ์ทั้งหลาย อยู่ในสากลระลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักลักษาอุปตนจะยอมลูกหลานจะติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโลกไฟกันงานจงนึงใดการเงินจึงใดวัฒนาจึหนึ่งันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยจะพาะ <c oughs> ในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เธอน